ทรงประชุมสงบัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมทสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทาสักกยบุตรว่าอุปนันทาทราบว่าเธอรับรูปิยะจริงหรือท่านพระอุปนันทาสักกยบุตร ท, ทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคฆบุรุษฉนัยเธอจึงรับรูปิยะเล่าโมคฆบุรุษ